ทั้ง16หอย่างใช่หมั้งแต่ว่าหายใจเข้าหายใจออกมีสติหายใจเข้าสั้นหายใจออกหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวมีสติหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นมีสติรัสสังว่าอสาาสัสนตวรัรสสังอาสสามิาาติปัชชานติที่ลาสวนถึงสิบหกแบบนะซึ่งดูแลว้วบางทีสาหรับนักภาวนาที่จับเอาเรื่องสาระก็ดูว่ามัน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 บอกเรื่องหายใจสั้นหายใจยาวแล้วก็ต่อมาบอกว่าสภาวะกายปฏิสังเวทีอศาศิสามีติสิกติคือเป็นผู้รู้เฉพาะเพิ่มความศึกษาว่าเป็นผู้รู้เฉพาะซึ่งกายทั้งปวงขณะหายใจออกอแล้วก็ขณะหายใจเขา้าอันเดียวกันนะ่ะรู้เพิเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงขณะหายใจเข้าเป็นคู่เป็นคู่ตั้งคู่น่ยทั้งหมดแปดคูม่มันก็สิบหกไงวะมันก็สิบหก ที่อันสุดท้ายที่เราสวดนะปฏินิสขานุปัสสีอาสัสิสามิติสิกติตอนแรกอาสัสิสามิติสิกติพอท่านก็ซ้ำออกไปอันว่าปฏินิสขาสิสาปฏินิสานุปัสสีอาสัสิสามิติอาสิปัสสิสามิติสิกติเป็นผู้คือเป็นผู้ที่ทำความศึกษาว่าเป็นผู้สลัดคืนอยู่ขณะหายใจเข้าและขณะหายใจออก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 ปรากฏออกมาเป็นอเป็นอาการที่สบายบ้างไม่สบายบ้างทําให้มันสงบระงับอเนี้ยในรายละเอียดอย่างเงี้ยเราที่ท่าทาให้สงบระงับเป็นไหมสมมติเรปวดขาอย่างเงี้ยจะทําให้การปวดขาสงบระงับเป็นไหมเรื่องง่วงทําให้การสงบระงับกับความง่วงได้ไหมหรือเราเบือ่อทําให้ความสงบทําให้ความเบื่อสงบระงับได้ไหมหรือเราเรา LE เร า, เราขี้เกียจจะทําความสมงบระงับ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 การใส่ใจแห่แงเนีของสมาถะมันมีผลให้เกิดความสงบระงับการใส่ใจของแห่งเนีวิปัสสนามันก็ให้เกิดความตื่นรู้เบิกบานาเราจะเอาแบบไหนก็ได้บางครั้งจิตไม่สงบก็ต้องใส่ใจแบบสมาถะบางครั้งจิตมันสงบแล้วก็ต้องใส่ใจแบบวิปัสนาให้ตื่นรู้เบิกบานถ้าจิตยังไม่สงบก็ใส่ใจแบบสมาถะให้มันสงบระงับไว้ก่อนเนี่ยที่เรามาที่เรามาศึกษาเรื่องเนี้ยเพื่อสิ่งนี้เท่านั้นนะ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 ที่ท่านสวดในธรรมจักรจะขงอุทัปปะทิญาณังอุทัปปะทิปัญญาอุทัปปิวิชาวัฏปะิอโลกูทัปปิถ้าเราใส่ใจสิ่งเหล่านี้ในรละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดดวงตาท่านว่าจะขงอุทัปปิพราะยายลดเกิดดวงตายอรไรยังนั่งหลับลูกเดียวเพอใะยาลดโอ้ได้ยินหลวงพ่อพูดไหมได้ยินแต่เงางอกเงาะข้นมันจะเกิดประโยชน์อะไรอื เมียหลวงพ่อผูหนึ่งที่กระพาะกรรมฐ า, านที่ภาคอีสานท่านอาขณะที่ท่านบรรยายธรรมท่านเห็นใครนั่งง่วงท่านจะจับอันนี้แข้งเลยนะเพี้ยงเลยเพราะเราปลุกให้ตื่นด้วยกันโยมคนนั้นถ้าติดอดรมก็หนีไปเลยเพราะนั้นในขณะที่หลวงพ่อพูดด้วยกันหลวงพ่อชํามรวจดูว่าใครตั้งใจฟังไม่ฟังถ้าใครไม่ตั้งใจฟังก็ปลุกให้ตื่นด้วยกั น, นไม่งั้นมันเสียเวลาทั้งคนฟังและคนพูด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 พอมาปฏิบัติธรรมมันก็เลยไม่เ อ, อื้อมันมีแต่ง่วงแต่ง่วงแต่เบือ่อแต่เซ็งขี้เกียจก็ทําให้ไม่ได้ผลเท่าที่ควรการปฏิบัติธรรมก็ไม่ก้าวหน้าปฏิบัติมากี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอืบางคนบางท่านถึงก็บอกว่านี่ผมปฏิบัติอีกสองปีถ้าผมไม่รู้ไม่เข้าใจผมจะสึกละอันนี้ก็แสดงว่าไม่เข้าใจเหมือนกันผมจะไปล้ผมจะเลิกละอะไรทํานองนี้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 เป็นศาสนาของคนมีความเพียรไม่ใช่ศาสนาของคนไม่มีความเพียรเป็นศาสนาของคนมีสติไม่ใช่เป็นศาสนาของคนเลอะเลือนเป็นศาสนาของคนมีสมาธิคือมีความตั้งใจไม่ใช่เบื่อเบลอหลงเป็นศาสนาของคนมีปัญญาไม่ใช่เป็นคนงงเง่าเตาตุนอะไรนะนั้นนี่คือพุทธศาสนาสําหรับคนอย่างนั้นสําหรับคนมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญา ือเพราะฉะนั้นพอเราไม่ได้ลงรายละเอียดหรือแยกย่อยในสิ่งเหล่านี้ก็ทํามั่วๆนแล้วก็รับรองผลไม่ได้ดินี่พอชาวต่างศาสนาเขามาเห็นอยว่าชาพูดสอนให้เกิดปัญญาทําไมเป็นคนเลอะเทอะเลอะือนแบบนี้ละ่ะทําไมเป็นคนไม่เอาไหนไม่เอาทานแบบนี้ละ่ะเขาก็ตําหนิได้ผู้ศาสนาก็จเจริญรุ่งเรืองไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนปฏิบัติไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นศาสน า, าคนมีศรัทธา เป็นคนมีความเพียรเป็นคนมีสติสมาธิปัญญาแค่ไหนไม่ได้พิสูจน์ให้เขาเห็นนะเราก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะยังขี้เกียจเหมือนเดิมยังเบื่อเหมือนเดิมยัง ง, ง, ง, งุ่งเงาเหมือนเดิมยังไม่พัฒนาวังเกิดศาสนาของเราก็เจริญไม่ได้นะดัะนั้นก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นนะว่าออมันเกิดปัญญาจริงๆชีวิตดีขึ้นร่างกายดีขึ้นสุขภาพดีขึ้น จ, จีใจ เข้มแข็งมากขึ้นสุขภาพอเข้มแข็งมากขึ้นพิสูจน์ให้เขาเห็นนะก็คือต้องปฏิบัติอย่างจริงจังนะในช่วงหลังนี้จะมาหลวงพ่อก็เลยเรียกว่าเข้มงวดออกกันนักปฏิบัตินักปฏิบัติคนไหนตอนสมัครเข้ามาในเราก็ดูเลยนะว่าคนไหนตั้งใจไม่ตั้งใจคนไหนไม่ตั้งใจคุณกลับไปบ้านก่อนก็แล้วกันบอกกันอย่างขันเลยนะ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 ในกําวันใครก็จะมาตติดตามดูอีทีว่าใครทําถูกหรือไม่ถูกแล้วค่อยเตือนกันไปคนๆไปถ้าคนทําไม่ถูกก็นั่งง่งอยู่นั่นเด่ะนั่งเบื่อนั่งเหงานั่งขี้เกียจนั่งฟุ้งซ่านเออแสดงว่าทําไม่ถูกแล้วะหลวงพ่อผู้รับผิดชอบอยู่เข้าไปบอกเออเนี่ยทํานี้ให้มันตื่นนะอย่านั่งง่งนั่งเหงานะอย่านั่งคิดนั่งฟุมงนั่งแต่งก็จะบอกอีกทีหนึ่งอนี้ก็เรียกว่าช่วยกันนะเพราะฉะนั้นช่วงเช้านี่ก็จะเตือนกันไว้แค่นี้บอกกันไว้แค่นี้นะ เผื่อว่าส่วนหนึ่งก็จะไปตามประกอบอาหารผนะู้ที่อยู่ปฏิบัติตรงนี้ก็ปฏิบัติไปถึงนู่น่ะถึงเวลาอาหารเสร็จเวลาไม่ครัวก็จะมาบอกใช่ไหมไม่ต้องไปเสียเวลาฟุ้งซ่านอยู่แถวนะ <c oughs> นั่งประยุนบทเพื่อมันจะได้ <c oughs> ใช้เวลาให้เป็น ป, นะประโยชน์นะปฏิบัติไปถึงเวลาเอาไปรับประทานรับปรานเสร็จก็ทำํำท่าส่วนดวก็ปฏิบัติ ต, ต่อนะอันะนี้ก็เป็ น, น, นก็ขอนโมทนาสาธุในช่งชวงเช้านี้ ที่เราได้ศึกษาในรายละเอียดร่วมกันนําไปพิจิพิจารณาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เพื่อเราจะได้มีเสียเวลาให้เกิดมาเราก็จะไม่ได้เสียชาติเราจะได้รับประโยชน์หรือความสุขความสบายความรู้แจ้งความเบิกบานตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเอาไว้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเดิด